ซึ่งมั่นคงกว่ากันอย่าเพิ่งคาดคั้นให้ฉันตอบตกลงอะไรในคืนนี้เลยความรู้สึกคงประมาณทิ้งเรือกลับไปเกาะข อ, อนไม้กลางทะเลไว้ฉันแข็งแรงจนแน่ใจว่าช่วยชุดเธอขึ้นเรือมาด้วยกันได้แล้วค่อยว่ากันอีกทีดีกว่าขอเวลาอีกสักพักแล้วจะติดต่อเธอไปเองเธอฟังคำพูดผัดผ่อนของฉันด้วยความรวดร้าวทรมาน